คงจะได้เวลาพอจนควรี่จะพร้อมกันข้ากันตั้งใจนั่งสมาธิฟังธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกวาละหนึ่ง <c oughs> โดยเฉพาะวันนี้ที่พระพุทธเจ้าเทศนาเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับวันอาสาลหาบูชา วันที่พระ อ, องค์แสดงธรรมเป็นครั้งแรกธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศเป็นครั้งแรก น, นนะน่ะที่พวกเราชาวพธิ์พอที่จะเข้าใจความหมายที่พระพุทธเจ้าเทศอันนั้นคือพระ อ, องค์แสดงเรื่องอริยสัจเรียกว่าอริยสัจเ่นนะน่ะ อริยสัสตร์มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไงหรือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลชาวพุทธคั้งพุทธการนุ่นหรือเฉพาะเจนนั่นเลยคาสอนของพระพุทธเจ้าอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาจะนั้นให้พวกเราทุกท่านทุกองทุกท่านทุกคน เข้าหาความสงบของจิตใจเอานั่งเ <c> พ <oughs> ื่อเป็นการฝึกสมาธิตั้งสติตั้งใจให้เป็นสมาธิฟังนั่งให้สบายสบายอ้าม <c oughs> นั่งยังไงสบายสบายเนิบถึงความสบายเมื่อเรานั่งให้สบายสบายเนิกถึงความสบายแล้วห <c oughs> ลับตา ตั้งตติขึ้นมาดูใจหรือให้พวกเราเข้าใจความหมายก็ว่าตั้งใจตั้งสติทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนในลักษณะนี้เพราะใจของคนเราน่นะมันยุ่งกับ พาละการงานจนกลายเป็นอารมณ์สัญญาสัญญาอารมณ์ที่เป็นสัญญาอารมณ์นั่นน่ะพวกเราเป็นสามัญชนเป็นผู้ทุชนจิตใจของพวกเรามันวิ่งตามกระแสของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางด้านจิตใจ ถ้าปล่อยน้อยเป็นทุกน้อยปล่อยไปมากเป็นทุกมากฉะนั้นจึงมีการมาเรียนความจริงจากสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่กับพวกเราทุกท่านทุกองคทุกท่านทุกคนฉะนั้นก็ว่าตั้งใจให้ใจตั้งเมื่อเรานั่งสบายสบายแล้วตั้งสติให้สติตั้ง ทะเตตัต้งเพื่อรู้ตัวรู้ตัวคือรู้ว่าร่างกายของพวกเรานั่งเดี๋ยวนี้เรานั่งฝึกสมาธิเรานั่งขัดสมาธิตามเยี่ยนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าและลึกโลกการนั่งของพวกเราให้มันถูก ตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอาเรณยเจ้าทรัสอนถ้าเตละลึกดูใจของเราเอกเทงใจของเราก็ว่างวางเรื่องให้สบายสบายวางได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ต้องทำให้มันได้ถ้ายังไม่วางก็รีบวางเท่านั้นขนาดนี้วางเรื่องต่างๆเรื่องกังวลต่างๆแล้วก็ บางทำใจให้สบายสบายขึ้นมาใจดูใจใจคือผู้รู้ตาเตื่องเ ล, ลืกกโลดูใจเมื่อเราเ ล, ล, ลึกกโ้ดูใจอย่างนั้นแล้วเราจะได้รักษาใจเราให้มีความสงบต่อไปที่เนี่ย เราจะรักษาใจของเราให้มีความสงบต่อไปเรารักษาไว้ตรงไหนถ้าเผื่อพวกเราจะนึกถึงพุทธานุตตินึกถึงพระพุทธเจ้านึกพุทธโธพุทธโธเราก็นึกพุทธโธภายในใจแล้วพุทธานุตติเอาจิตใจของพวกเราอยู่กันกับการนึก คำว่าพุธทธพุธทธนั้นหรือพวกเราจะเนึกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแล้วอาณาปานุตติก็ตั้งใจตั้งตติกาหนดดูลมลมที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่มันไม่มีรูปไม่มีร่างเะนนั้นอ่ะ อาศัยเตติเครื่องระลึกโล้รู้ว่าลมเข้าก็รู้ลมออกก็โล้เมื่อเราใช้ทตติตั้งอยู่กับลมหายใจออกก็รล้หายใจเข้าก็รู้อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเรายึดเอาลมนั่นเป็นที่ตั้งของตติเพื่อให้เกิดสมาธิ เป็นที่ตั้งของใจเพื่อให้สามาติก็เลยแต่จะว่าทำไม <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงสอนอบายในลักษณะนี้เพื่อเป็นการแยกจิตแยกใจของพวกเราออกจากอุปทานการยึดถืออันนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้พวกเราให้ความหมายว่ารูปร่างกายของพวกเรานี่ เป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ใจของพวกเรามีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเป็นตัวของเราจริงๆเป็นผู้ชายจริงๆเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงๆชวนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ความจริงว่าอันนั้นน่ะ มันเป็นเรื่องอุปท า, านการยึดไปให้ความหมายแท่ที่จริงคำว่าตัวตนตัวของเราตัวของเขานั่นนะมันเป็นเพียงแค่ธาต่ขันธ์ห้า 5, เกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลจิตใจของพวกเรามาอาศัยธาตี่ดินน้ำลมไป ขันห้าคือโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายถ้าเป็นตัวเป็นตนจริงๆเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจริงๆทุกอย่างเราบอกได้อั น, นี้เราบอกไม่ได้ฉะนั้นภาษาความจริงอันนี้ พระพุทธเจ้าสอนอีสัพหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนเตี่ยให้พวกเราทุกท่านได้เกิดเป็นขอคชดตบ้ารูปร่างกายจะให้ความสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็น ก, ก้อนทกไม่ใช่ตัวของเรามันเป็นตัวทก และก็เป็นตัวไม่เที่ยงก้อนไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันแปลงมันแปรปวนอยู่ทุกขณะจิตท่านผู้ฟังทุกท่านฉะนั้ น, นหลักอริยรรสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าประกาศเทศนาแจ่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นครั้งแรก ถ้าพูดถึงเรื่องความจริงอันนี้อริยสติคืออะไรหนึ่งทุกสองเหตุที่เกิดทุกสามความดับทุกสี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้หลักธรรมะที่พวกเราเคยได้ศึกษาเคยได้เล่าเรียนในพระไตรปิฎก ฉะนั้นในพระไตรปิฎกที่พูดไว้นั่นนะ่ะคือตำดาของจริงความจริงคืออะไรก็คือร่างกายของพวกเราจิตใจของพวกเรานี่อันนี้เป็นตัวทุกข์ให้กําหนดโลกจริงไหมตรงนี้คำว่าทุกข์ก็คือความเจ็บความปวด ตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวตามตัวตามตนทุกที่ที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างพวกเราได้นึกเคยนึกเคยคิดไหมอันนี้ถ้าไม่เคยได้นึกได้คิดมันจะเกิดความลำคาญมันจะเกิดความไม่สบายทางจิตใจ เพราะสังขารร่างกายมันก็แสดงความเป็นทกเห็นได้ชัดอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มาฟังตั้งใจฟังตั้งตง ต, ติฟังสัจจะอริยสัจคือของประเสริฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงอริยสัจสัจจะของจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในรูปร่างที่บุคคลทั้งหลายให้ความสมบูว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนั่นความสมมตุติความจริงที่เป็นจัดจะแท้ที่จริงนั่นคือตัวทุกข์ก่อนทุกข์ถ้าเผื่อพวกเรามาตั้งใจฟังตั้งส ต, ติฟังอย่างนี้ดูสิเนี่ยทุกนี่ปรากฏอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเนี้ อยู่ที่ที่พวกเราที่ไปให้ความหมายว่าขาของเราเข่าของเราแขนขาหูตาหลังเอวของเราทกุกสัดส่วนที่พวกเราที่ไปให้ความหมายว่าตัวตนของเราแต่นั้นหลับธรรมะท่านยังสอนให้พวกเราเข้าใจตามความเป็นจริงสัตว์จะของจริงอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏขึ้น ที่พวกเราเรียกว่ารูปร่างกายรูปร่างกายโลปังทุกขังโลปนี่คือตัวทุกเห็นได้ชัดใช่ไหมที่เป็นแขงเป็นขาเป็นหลังเป็นเดียวโลปังทุกขังโลบเป็นทุกโลปังอนิจังโลปนี่ไม่เที่ยง นอกจากรูปเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงกันโลภะอนัตตาโลภนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนฉะนั้นจึงมีการแยกจิตใจให้อยู่กับสมาธิธรรมแยกจิตใจให้อยู่กับความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นการฝึกสมาธิ เป็นการแย ก, กจิตแยกใจของพวกเราให้อยู่กับความเป็นศิลความเป็นธรรมหรือความเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของจิตใจใจของพวกเราจะได้มีบุญมีกุศลมีศิลมีธรรมเป็นวิหารธรรมที่อยู่ที่พึ่งของจิตใจ ถ้าเผื่อพวกเราหมั่นพิจนานั่งสมาธิหมั่นพิจณาพิจนาฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกทั้งหลายสัญชาตญาณจิตใจของบุคคลคนเราไม่มีใครต้องการปรารถนาแต่มันเป็นสัจจะความจริงของจริงเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นตัวเป็นตนที่มีความสมมติ ที่พวกเราอยู่ที่นี่หรือไม่ได้อยู่ที่นี่ปรากฏเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายุขนาดนี้อาการที่เปนปรากฏขนาดนี้การแสดงความเป็นทุกข์แทบจะทนไม่ไหวแล้วถ้ามันเกิดมากขึ้นไปกว่านี้เป็นมากขึ้นไปกว่านี้เราจะตั้งจิตตั้งใจว่ายังไงทีนี้ เอาจิตเอาใจของพวกเราไว้ที่ไหนนี่นะ่ะปัญหาที่มันขวางหน้าเราอยู่ขนาดทุกข์ในสังขารร่างกายของพวกเราขนาดนี้ใจของพวกเราสันครญตยานก็ไม่ต้องการไม่ต้องการอยากให้มันเกิดมันมีแล้วยิ่งถ้าเป็นผลของบาปของกรรมที่เนี่ยมันจะเลวรารขนาดไหนทนทุกข์ทรมานทางจิตใจของเรากขนาดไหน ไม่ต้องสงใ่พี่น้องญาติโยมเชื่อเธอเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าเธอขนาดเป็นคนนั่นเนี่ยนั่งนานๆานหน่อยเมื่อเกิดแสดงความทุกข์เจ็บปวดขนาดนี้ยิ่งมีโครคภัยไข้เจ็บเข้าไปจะทนทุกข์ทรมานขนาดไหน ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาพิจารณาไม่ได้มาฟังมากลไควรมันจะเกิดความประมาทเกิดความประมาทว่าใจของพวกเราเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีจริงตันรกมีจริงเปรตผีมีจริงสัตวเดรัจฉานมีจริง พวกเราจะไปเข้าใจว่าเรื่องสัตว์เดรัจฉานถ้าเผื่อมันมีมันตายแล้วเกิดมันเกิดยังมาเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานอย่างนั้นจะไปเข้าใจอย่างนักเพศน์ถนัดนะใจที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเครื่องสแสดงออกบอกตามสัจจะคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าใจของเขาดวงจิตดวงวิญญาณของเขาเนึกถึงความดีไม่ได้ เนบถึงส่วนที่เป็นบุญที่เป็นกุศลไม่ได้ในช่วงระยะเขาอยากจะเกิดไม่มีความดีบุญกุศลพาเขาเกิดเลยเกิดยินดีความยินดีในรูปร่างของสัตว์เดรัจฉานประเภทนั้นดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของเขาเข้าปฏิสนธิจะขึ้นมาก็เป็นลูกของสัตว์เดรัจฉานประเภทนั้นเป็นตัวเป็นตนของสัตว์เดรัจฉานประเภทนั้น ถ้าเปื่อนนึกถึงความดีอะไรไม่ได้เลยเดือดยิ่งเลวลายขึ้นไปกว่านั้นเจิตใจนี่ไม่มีรูปร่างดังนั้นเมื่อไปเป็นเปรตเป็นผีดวงจิต ด, ดวงใจดวงเนี่ยไม่มีโรค ไ, ไม่มีลางทนทุกทรมานขนาดไหนทกเหมือนเปรตทกเหมือนผียิ่งไปตกนรกเวทีปาแต่จะเชื่อขนานะก็ไม่อยากจะฟังนี่พูดได้ว่าผลความเป็นบา มันเป็นทุกทนทุกทรมานฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมพวกเราเข้าด้วยเตือนอย่าเกิดความประมาทให้เชื่อเถิดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงถ้ากลัวเรื่องบาปความเป็นทุกข์กลัวเรื่องทุกข์ความเป็นบาปนั่นนะ่ะมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงในรูปร่างของพวกเรานี่จะเห็นได้ชัดเลยว่า ทุกให้กําหนดรู้จะทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแจ่ทุกเพราะความเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยหิวอันนี้ล้วนแล้วะะแต่แสดงความเป็นทุกข์ท่านั้นอาจทุกทางกายแจ้ไขไม่ได้ถึงจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเรื่องเปลี่ยนอิรยาบถมันก็เพียงแค่นั้นทวนเรื่องจิตใจที่นี่ มีการแก้ไขได้ใจของพวกเราถ้าเผื่อพวกเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดมั่นเชื่อมั่นเอาความดีเป็นที่ตั้งลักษณะของความเป็นศิลเป็นธรรมเป็นที่ตั้งของจิตใจเป็นที่ยึดเตี่ยวของจิตใจเอาไว้ฉะนั้นที่พวกเรากำหนด อาณาปานุตติธรรมก็เป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายกวิถีจิตออกจากความทุกข์กองทุกข์ในธาตุในขันให้มากำหนดรูด้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกด้วยสติสัญญาความจำนอันนี้ให้มาจดจอ่อต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจในขณะเดียวกัน สัญญาความจำเนี่ยมันบางเรื่องความเจ็บความปวดเหมือนพวกเราตั้งใจทำการทำงานนั่งอยู่นานๆหลายเจ้วโองหลายชั่วโมงสัญญาความจำของพวกเราไม่ได้ไปจำเรื่องความเจ็บความปวดมุ่งอยู่กับการทำงานโน้นมันเลิมเลิมความเจ็บความปวดได้การแสดงว่าในขณะนั้นใจของเราก็เป็นสมาธิในระดับเนืง หรือเราจะกำหนดคำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นที่ตั้งของจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจากนั้นคุณธรรมความดีสัญญาความจำนี่พร้อมด้วยสติความตั้งใจสัญญาความจำจำมาอยู่กับคำบริกรรมจำเอาคำบริกรรมนึกพุทโธพุทโธเป็นที่ตั้งเป็นส่วนประกอบในขณะเดียวกันก็ เป็นการบางสัญญาจากความทุกข์ความเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยเยลถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจในแนวทางแยกวิถีจิตออกจากความทุกข์กองทุกข์เราก็จะได้เห็นความสำคัญการฝึกสมาธิเป็นการฝึกแย ก, กจิตใจของพวกเราให้มาตั้งอยู่กับสมาธิธรรมตาติธรรมสมาธิธรรม ถ้าพวกเราตั้งอยู่กับส ต, ติธรรมสมาธิธรรมได้ที่เนี่พลังของจิตใจความสบายของจิตใจก็จะป่ากดขึ้นเพราะใจของพวกเราวางเรื่องอารมณ์ต่างๆสัญญาต่างๆที่มันหลอกจิตหลอกใจให้จิตใจของพวกเราไปให้ความหมายและอุปทานเยอะ ถ้าเผื่อพวกเราไม่ฝึกละฝึกบางทุกที่พระพุทธเจ้ า, าสอนให้พวกเรากำหนดโลกพวกเราจะไม่เข้าใจไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละควรเลิกควรละควรปล่อยควรบางยังไปถือว่าตัวของเราตัวของเราตัวของเขาตัวของเราอยู่นั่นแหละแท้ที่จริงแล้วถ้าเผื่อมาฟังมาพิจณาโอ้เนี่ ถึงจะเป็นตัวของเราบุญพามาเกิดเพียงแค่ใจได้อาศัยช่วระยะที่พออาศัยได้ช่วงระยะที่อาศัยได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราลูว่าอย่าเอารูปร่างกายของพวกเรานี่ไปทำควมชั่วอย่าเอาแนวเช็ดเจ็ดใจของพวกเรานี่วิ่งตามกระแสของกิเลสโลภโกรรลอง เดี๋ยวจิเลสโลกก่อนหลงนะนะั่นน่ะมันจะพ่าเหตุเป็นเหตุได้เกิดทุกข์อันนั้นคือคือตัณหากามะตัณหาอารมณ์เทศ <c oughs> ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนะี่ยมันจะมิ่งผาสานกับจิเลสโมหะความหลงไปหลงในโลกในเสียงในรสในกลิ่นในรสอันนั้นนะ่ะเมื่อในเนึกถึงสัจจะความจริงความถูกต้องที่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว ว่าเพจินปิดธรรมหรือเปล่าถ้าจิตใจของพวกเราวิ่งตามกระแสของกิเลสวิ่งกตามกระแสของตัณหาด้านน่ะวิ่งไปแล้วมันเพจิ๋นผิดธรรมผิดแม่บทกฎหมายผิดตามขนบธรรมเนียมประเพณีไหมถ้าอยู่ในขอบเขตกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีสินธรรมพระพุทธเจ้าก็มัห้ามเพราะกามมะสุกกรรมมะคนอันนั้นมันมีบุญมีคน สอนให้รู้จักบุญให้รู้จักคุณรู้จักความสุขความสบายเพราะความเป็นสมบัติความเป็นมนุษย์ให้เห็นคุณค่าเรียนจุกจากความเป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันให้เห็นทุกข์เห็นโทษเรียนความทุกข์จากความเป็นมนุษย์ให้กลัวให้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อกลัวในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษตัวของเราเป็นก้อนทุกข์เออก้อนทุกข์อันนี้ทุกข์ขนาดที่เป็นผู้เป็นคนทุกข์ขนาดนี้ ถ้าทุกแบบเป็นบาปเป็นกรรมจะกนาดไหนย้อนหาเหตุทุกมาจากไหนทุกมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุตามตันหาอารมณ์เพศภาวะตันหาความปรารถนาใครดีชื่อเสียงเกียรตยิยศมิภพวะตันหาพวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นคือเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเก็บ เราไม่อยากเป็นโรคเป็นภัยเราไม่อยากตายเราไม่อยากพัดภาคจากสิ่งที่เรามีแต่พวกเราเลี่ยงไม่ได้ความจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าบีแต่ครั้งพุทธกาลนะความสำนึกความรู้สึกภายในจิตใจของพวกเรามีสมบูรณ์บม่บน่บนเลยเหตุได้เกิดทุกข์หรือไม่มีในเราทุกันจะปฏิเสธไม่ได้ อย่างการมตัญหาอารมณ์เพศถ้าเผื่อพวกเราเป็นสามัญชนมันมีชัดเต็มสมบูรณ์ในจิตใจของพวกเราภาะวะตันหาความอยากได้ใครดีชื่อเสียงเกียรติยศสากศีร่ำรวยมันมีอยู่อย่างนี้แต่ที่นี่อยากได้อยากดีอันนั้นอะ่ะมันอยู่ในขอบเขตความถูกต้องไหมให้เลือกตรงนั้น วิเพราะว่าตัณหาความไม่อยากแก่จะเลี่ยงไปที่ไหนรูปร่างอันนี้ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไม่อยากผัดผักจะเลี่ยงไปที่ไหนมันเลี่ยงไม่ได้เมื่อเลี่ยงไม่ได้มายอมรับทีนี้มายอมรับตามความจริงมันเที่ยอมรับตามความจริงบางได้ามาฝึกบางด้วยการฝึกสมาธินี่เจ็บอยู่ปวดอยู่ตั้งขานร่างกายนั่นน่ะ มนาถ้าถึงต่อแล น, นี่คือก่อนทุกปรากฏขึ้นมาเจ็บขึ้นมาทกแน่ขนาดนี้ทกเพื่อมันจะดับลงไปคือเปลี่ยนเยียบทมันหายละหายการเปลี่ยนเยียบบทหายไปเพื่อมันจะเกิดขึ้น มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนี้มาเรียนตามความเป็นจริงอย่างนี้เราจะรู้ตามความเป็นจริงจิตใจของพวกเราตายไม่เป็นแ่ไม่เป็นมันจะเกิดความทราบเึงปรีติยินดีเออเนี่ยถ้าเราฝึกตั้งใจตั้งสติเป็นสมาธิได้ความสุขแบบธรรมชาติคือพลังของสมาธิพลังของสตินี่ มันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายมีพลังของจิตใจมีกำลังจิตใจทกขนาดไดนก็ใจก็สบายสบายอยู่เจบปวดขนาดไดอ น, นั้นเวทนาขันแต่ใจบานได้ใจสบายสบายอยู่อันนี้ตัาหากนะการที่เรามาเรียนรู้ตามตรจากความเป็นจริง เน้่ก็ฝึกสมาธิให้ใจของเรามีความปล่อยวางจากความเป็นทุกข์ให้อยู่กับเรื่องที่เป็นสมาธิใช้รำวบริกรรมนึกพุทโธพุทโธหรือว่ากำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมีเหตุผลความจำเป็น มีเหตุมีผลอย่างที่ว่ามาฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านได้ตั้งใจฝึกได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นการตะลอมกระแส จ, จิตใจออกจากความเป็นทุกข์ให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิอย่างที่ว่ามานั่นแหละอาะ น, นั้นวันนี้ดูเวลาเห็นว่าพอจงควรแจตเวลาฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่าน ฟังแล้วนําไปเป็นคติพิจารณานําไปฝึกไปปฏิบัติพวกเราก็จะมีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาตามการตามเวลาตามศรัทธาของพวกเรานําไปฝึกไปปฏิบัติเท่านั้นความเป็นจริงอันนี้พวกเราให้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเธอะจะกลายเป็นวาสนาบาและเมของเราต่อไปทะานั้นการเวลาวันนี้เห็นว่า พอจมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการาชานี